ไปด้วยความไม่แน่นอนทําอะไรก็ตามไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดทั้งนั้นผลในความผิดพลาดก็คือความทุกข์จะต้องย้อนกลับเข้ามาหาตัวเหตุอันเกิดขึ้นจากการจากควา ม, แ, มแน่นอนนั่นแหละเพราะงั้นใจจึงเป็นสาคัญที่จะสร้างความแน่นอนให้แก่ตนเองมันมีจิตเป็นหลัก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 ใจนั้นมีอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอียงๆไปตามสิ่งต่างๆไม่มีประมาณอะไรมาผ่านก็เอียงๆไปตามมาพัดนิดๆหน่อยๆสัมผัสนิดๆหน่อยๆก็เอียงๆไปตามนั่นคือจิตไม่มีหลักเกณฑ์ตั้งตัวไม่ได้ถูกพัดถูกเหวี่ยงไปมาอยู่เสมอ ความเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสต่างๆนั้นยังมีผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราอีก ท, ท่านจึงให้สร้างความแน่นอนให้แก่จิตใจสิ่งพึ่งพินของใจก็คือธรรมธรรมมีทั้งเหตุทั้งผลเหตุ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 การบ่มให้ตนเองโดยไม่สกสวงหาเพื่อส่งเสริมในจุดที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมามันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไม่ได้หาอำนาจวาสนามาให้เห็นได้อย่างชัดเจนดังหาบสินหาดของซึ่งเป็นด้านวัตถุ แต่มีอยู่ภ า, ายในจิตใจด้วยกันเท่านั้นหากไม่มีวาสนาแล้วไหนจะมาสนใจกรับอัตกระทำเริ่ต้นกาเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ในเสียจะดิบจิตวิกลวิการต่างๆแล้วยังไม่มีความเชื่อความน้อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของเลื่อของประเสริฐไม่มีอันใดที่จะไปเสริดยิ่งกว่ า, าศาสนาธรรมซึ่งเป็นเครื่อง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 ไม่ใช่การทำชั่วแล้วเป็นเครื่องรับรองคนให้ดีไม่มีตามหลักธรรมไม่มีนอกจากือสั่นัน์ดอขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ชนเชยเท่านั้นกิเลสชอบชนเชยในสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีตาหนิในสิ่งที่ดีว่าเป็นของไม่ดีเพราะฉะนั้นกิเลส ก, กับธรรมจึงเป็นค่าศึกกันเสมอมาอันใดที่ทํามชอบกิเลสไม่ชอบแล้วกิเลส ก, ก็อยู่กับใจของพวกเราเอง ทำก็อยู่กับใจหากิเลตนี้มากก็คอยแต่จะตำหนิติเตียนทําเหยาบย่ทำทําลายทํำภารกิจใจการที่ยอมเพนตนให้เป็นไปเพื่อความดีงามนี่เมากเล็ดผลตามความมุ่มมงมั่ปัจฉานะจึงมีการคัดค้านตนอยู่เสมอแต่พ อ, อย่างยิ่งก็คือการตําหนิติเตียนตนว่ามีอํนานาจวาสนาน้อยเกิดมาอาพาวาสนาแต่ใครเขาลูกเขาเห็นแต่เราไม่ลูกไม่เห็นใครเขาเป็นใหญ่เป็นโตภารกิจใจแต่เราเป็นเด็กเล็กๆ รากับสามันในน้อยองค์หนึ่งอยู่ภายในจิตใจนี่ก็คือตําหนิงตรงนี้เถิดแล้วเกิดความหยดร้อนขึ้นมาด้วยทําให้น้อยใจตนเองการน้อยใจนี่ไม่ใช่จะทําให้เรามีความขยันมันเพียรนี้แต่จิตใจใจเพื่อบําเพ็ญตนให้มีระดับมันสูงขึ้นแต่เป็นการเหยียบย่ทำทําลายตนลงคือให้เกิดความท้อใจซึ่งไม่ใช่ของดีอาจเป็นอุบายคนอุบายของชีเลทั้งนั้นเป็นเครื่องท่ำสอนคน ให้เราทราบไว้ว่าอุบายเหล่า น, นี้คือเรื่องของจิตนำบทคล้องที่ตรงไหนพยายามแก้ไขดัดแปลงรูปที่ตรงนั้นถูกต้องกับหลักธรรมมุขเจ้าแท้ไม่ผิดจะ ต, ต้องสมบูรณ์ขึ้นมาในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อรับการบํารุงอยู่สมองนี่คือทางที่ถูกต้องใครไม่ได้ไปที่ไหนไมไ่รู้ที่ไหนรู้ที่จิตวาสนาก็รวมอยู่ที่จิต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 เหนไหมใหญ่โตขนาดไหนขุดกันเดือนเดือนก็ไม่ลาบเราจะขุดทำน้ำลากเหมือนที่ทั้งหลายฟันมันสองซี่เท่านั้นแนหะมันสามารถสร้างจนวนตัวได้เกือบเท่าภูเขานี่เพราะความเพียรของตัวทั้งหลายเรามีความเพียรมากยิ่งกว่าตัวฟันเราก็หลายซี่กําลังเราก็มากยิ่งกว่าตัวกทําไมเราจะสร้าง ตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นมาได้ต้องสูงได้ด้วยอนานาจแห่งความเพียรแค่เหนือความเพียรไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าได้รัสรู้ด้วยความเพียรเราทำไมจัดการเป็นคนอพัพไปด้วยความเพียรทั้งๆ ท, ที่ความเพียมีมากแต่การเป็นคนอภัพเป็นด้วยําบ ไ, ไม่มีท้าลงด้วยเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาแล้วไม่มีทางอื่น นอกจากจะทําผู้นั้นให้มีความเจริญมุ่งเดืองขึ้นภายในจิตใจเป็นกลายเป็นจิตที่มีหลักฐานมั่นคงเราจะเห็นได้ชัดๆเช่นอย่างเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยเห็นภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆจิตไม่เคยรวมไม่เคยสงบให้เห็นปรากฏบ้างเลยแม้แต่ น, น้อยเห็นเวลาเราฟังธรรมที่ท่านแสดงในธรรภาคปฏิบัติผู้ที่เรื่องสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อฟังไม่รู้เรื่องรู้ราว ท่านแสดงทุงวิถีจิตที่ดําเนินไปด้วยความจริงสมาธิเวลาพิจารณาเวลาภาวนาแล้วจิตมีความสงบอย่างนั้นมีอาการของจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามกระดิษณ์นิสัยต่างๆกันสุดท้ายจิตได้ลงสู่ความสงบจางแนบแนมีความสุขความสบายอย่างนั้ น, มม น, นเราก็ไม่เข้าใจ ถึงเรื่องปัญญากานพิจารณาคลี่คลายถึงเรื่องถานลงขันตลอดถึงโลกฐานซึ่งเป็นสภาวะธรรมทั่วไปอันควรแก่ปัญญายี่จต้องพิจารณาให้รู้แจ้งท้่จริงเราก็เลยเพียงแต่เข้าเข้าใจในครพูดเฉยแต่ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้นเราไม่ทราบหรือบางทีอาจไม่เข้าใจเลยก็ได้ถึงเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยจิตตภาวนาอยู่โดยส ม, าม่าเสมอคิดความีความ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 จะเป็นขั้นใดก็าตามทั้งด้านปัญญาขั้นใดก็าตามจิตจะรู้สึกจะคล้อยตามไปโดนดับเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนอะไรพูดไม่ถูกซึ่ง ล, ลืมเวลาเวลามีแต่ความรู้สึกกับธรรมที่สัมผัสกันเกิดเป็นความเข้าใจทุกขณะขณะขณะที่ท่านแสดงไปเป็นการซักครอบจิตใจไปในตัวไปในตัวและกล่อมจิตใจลงไปในตัว ถ้าจิตอยู่ในท่านที่มีความสงบ ก, ก็เหมือนกับว่ากรอมลงให้สู่ความสงบจิตกำลังกล้าทางด้านปัญญาก็าเหมือนกับขัดเกลเวลาฟังเทศเหมือนกับอ น, นามที่สะอาดเข้ามาช้าล้างสิ่งที่โสโครกคือภายในจิตใจให้มันโปร่งใสขึ้นโดยลําดับลาดับเห็นผลประจักษ์ในขณะที่ฟังจิตยิ่งมีความรักความชอบในการฟัง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 ไปฟังท่านเทศเสด็ท่านเทศเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่ว่าขั้นไหนไม่รู้เรื่องเลยหงกับล้องเพลงให้ควายสังเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งไม่เคยตาําหนิติเตียนท่านว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องหูล่าย้อนกลับมาตำหนิเจ้าของวานี่เห็นไหมท่านอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านโด่าดังกิจสัตว์คือคุณท่านดูก็ะอนมาเป็นเวลางา น, านตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก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 นี่เห็นแล้วยังความโง่ของเราเราหาบความโง่มาเอ็มตัวความฉลาดยับห่นไม่มีจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจอัธถรันของท่านที่แสดงอย่างลึกซึ้งดังที่พระทั้งหลายท่านเคยเล่าฟังท่านแสดงแหมวันนี้ท่านแสดงทำลึกซึ้งมากอีกแต่เรามันลึกซึ้งที่ไหนไม่มีซึ้งอะไรเลยไม่เข้าใจนี่ชะโง่ไหมทราบแล้วยังว่าเจ้าของโง่นี่ตมิโตของดีอย่างหนึ่งที่เราจะตมิท่านก่อปวยกรรมขามาทับข้อที่อีก ทั้งทงที่หนักอยู่แล้วหันฟังท่านไป น, น, นานๆแล้วปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแล้วฟังเทศท่านค่อยเข้าใจคิดค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไปโดยลำหนักลงนี่คอยรู้สึกว่าค่อยซึ้งธรรมเทศนาของท่านเข้าใจพูดพิจม่ ง, งสมาธิและแจ๋วภายในจิตใจจากนั้นก็เริ่ม เข้าใจโดยลำดับลหดับทราบซึ้งโดยลำดับลำดอบทีนี้เลยกลายเป็นคนหูสูงอะไรสูงอย่าง้รไม่อยากฟังเทศของใครเลยเทศไม่ถูกจุด ท, ที่ต้องการเทศไม่ถูกจุดของกิเลสที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่เทศไม่ถูกจุดของสติของปัญญาซึ่งเป็นธรรมแก้กิเลนะนนพูดไม่พูดพูดไม่ถูกเทศไม่ถูกจุดแห่งมรรค น, นิพพานนาน เพราะความซึ้งความเชื่อเหตุที่จะเชื่อเหตุที่จะซึ้งก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟังโดยลำดับลาดับนั่นแหละนีละจิตดวงเดียวนี้ครั้นเวลาหนึ่งเป็นอย่างและเวลาหนึ่งเป็นอย่างทำมจรึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตหุ้มห่อจิตนั้นมันแม้มีแต่สิ่งที่ดำดำทั้งนั้นสกรปรกทั้งนั้น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 การทำมีตัวเองไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทำให้เกิดความอับเฉาน้อยเนื้อต่ําใจซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราตั้งใจจะมาสลัดปัดกิเลสออกจากจิตใจแต่เรามาก่อขวอยจิตใจด้วยอาการต่างๆดังที่กล่าวมันแล้วนี้จึงไม่สมเหตุสมผลที่เราต้องการที่เรามุ่งประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมตรง น, นั้นเลยวาสนาไม่อยู่กับใจ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 คลองภายใจิตใจเรื่องความขยันหมั่นเพียรความอดความทนการเจริญเมตตาภานาทุกด้านเพื่อจะแก้สิ่งที่มันดื้อด้านอยู่ภายใจิตใจของเราเนี่ยมันคอยทําลายเราด้วยวิธีต่างๆทั้งๆที่เราเข้าใจว่าเรามาบําเพ็ญความดีแต่มันก็ติดมาด้วยภายใจิตของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเมื่อไรมันก็ต้องพยายามทําลายเราอยู่เช่ไหม เราจริงไม่นม่า ไ, ไม่ไม่ควรไว้ใจไม่ควรงองใจมันแทรกอยู่ใน น, นั้นเรามาอยู่ในป่ามันมาด้วยเพราะมาอยู่ที่จิตเ้าอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยอืมแล้วว่าเราไปเป็นธรรไปบำเพ็ญธรรมมันไม่เป็นผู้บําเพ็ญธรรมก็ตามแต่มันก็ติดแนบไปด้วยนั้นน่ะกับผู้บําเพ็ญธรรมแล้วไปเป็นฆ่าศึกต่อผู้บําเพ็ญธรรมแล้วผู Too ้บําเพ็ญธรรมก็ไ <canned> ม <podcasts S 2> ่ทราบว่ากิเลสมันมาทําลายเราเมื่อไหร่เราเลยถือ สิ่งทำลายนั้นความคิดที่ทำลายตนเองนั้นเข้าใจว่าเป็นของดีและติดปัญหาตัวเองในขอน้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นปัญหาติดกิเลสตัวเองในขอน้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นกิเลสถูกทำลายตนเองยังไม่เข้าใจว่าถูกทำลายนาเรื่องกิเลสมันสลับทับซ้อนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องใช้สติปัญญาจะสามารถทราบ ความดีความชั่วความปิดิความถูกอันใดเป็นกิเลสอันใดเป็นธรรมซึ่งมีอยู่ภายในตนคูภรรยายในจิตของเราดงอยียวนี้มีวาสนามีทุกคนอยู่ที่ใจนี้ใครจะไปแข่งกันไม่ได้ท่านไม่ท่า น, านห้ามไม่ให้แข่งอํานาจวาสนากันแม้แต่จัดว์ดฉานถ้าเขาไม่ไปดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเขาเป็นสัตว เพราะการท่องเที่ยวในวัดตระทงสารเปรียบเหมือนกับเราเดินทางย่อมมีสูงสูงต่ําๆำรุ่รุ่นดอนดอนขรุขระสะดวกบ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นตลอดไปในขณะที่เขาเกิดเป็นสัตว์ดิบชานก็คืออยู่ในสถานที่รุ่นรุ่นดอนดอนหรือคูุขระลําบากลําบนแต่ผู้เดินทางก็คือจิตพระมหากษัตรย์ที่เรายกย่องว่าหานเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองหรือเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเวลา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 เมื่อโลกมีทั้งนี้ทั้งชั่วสับมาณอยู่จิตใจของเรามันมีทั้งนี้ทั้งชั่วจะไให้มันแสดงตัวได้อย่างไรมันต้องแสดงถ้าเราเป็นนักประพฤติปฏิบตัติเพื่อรู้เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าสิ่งไหนควแก้สิ่งไหนควตอบถอนสิ่งไหนควรน้เป็นเราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่มันแสดงขึ้นมาให้เราได้แก้ไขและให้เราได้ส่งเสริมนี่ชื่อว่านักธรรมะกล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งหาที่เผชิญไม่ได้หมด พายหมดเวรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ทราบว่าจะสู้กับอะไรเวลาที่มันมีค่าสึกตู่ก็ต้องสู้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นแลคือค่าสึกต่อตัวของเราเ ว, เวลานี้เรามาลบกับกิเลสกิเลสมีอยู่ในตัวของเราเราจะหลงกลมายาของกิเลสที่หลอกเราจะชื่อว่าเป็นผู้หาแสวงหาความฉลาดเพื่อแก้กิเลส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 หาใจมีหลักไว้ทำใจก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นสบยัยนี่คือการสร้างบารมีสร้างอย่างนี้สติปัญญามีเท่าไหร่เอาขุดค้นขึ้นมาแก้่ี่เรทีิเรพยอมขึ้นชื่อว่าชติปัญญาแล้วอย่างอื่นไม่อยอม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 จากเครื่องมือเคือสภาพร่างกายนี้ก่อนที่เขาจะแตกแกระดับจะให้แตกสลายทิ้งปเปล่าเส้นอย่างไม้ที่ล้มทิ้งเกลื่อนนี้เฉยไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยข้อเสียทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นทรัพยากรอันหนึ่งภายในร่างกายภายในใ จ, จิตใจของเราได้แก่ร่างกายพยายามนําสิ่งนี้มาบําเพ็ญประโยชน์นี้เท่านี้ที่เราจะได้ประโยชน์จากร่างกายนี้ทําเสียตั้งแต่บัด น, นี้ เวลาถูกมัดแล้วมันไม่มีทางเหมือนกับนักโทษถ้าเขาได้ตัดสินแล้วเท่านั้น่ะใครจะไปคัดค้า น, า น, านหริอฉุบลากตัวออกมาก็ไม่ได้ต้องเป็นนักโทษอยู่โดยดีมีเวลานี้จิตของเราก็เหมือนกันกําลังเป็นผู้ต้องหาเอาต่อสู้หาทนายขึ้นมาฟ้องกันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอุบายวิธีการต่างๆ มีความเพียรสนับสนุนสู้กันจนถึงที่ที่เดียวสารนี่เป็นสารสำคัญมากสารต้นก็อยู่ที่นี่สารอุธออทธ ร, รก็อยู่ที่นี่สารดีกาก็อยู่ที่นี่สารต้นคืออะไรสู้กิเลสขั้นยำยากสู้อันนี้ไม่ได้เอาขึ้นอีกสารหนึ่งสติปัญญาหาวบายมาใช้ใหม่เอาจนกระทั่งชนะขึ้นถึงสารสูงสุด ตัดสิงกันขาดโดยประการทั้งปวงได้จกกกิเลสอย่างยากแก้ด้วยปัญญาอย่างยากกิเลสอย่างกลางแก้ด้วยปัญญาอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดละเอียดสุดแก้ด้วยปัญญาอันสูงสุดสติปัญญาอันเก่กล้าสามารถที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเอาถึงสารนิการนีตัดสิงขาดกันลงสะบั้นลงไปไม่มีอะไรเหลือลแล้วไม่ต้องไปสารไหนอีกทอยู่อย่างสมาย นี่โรงสารใหญ่เราเห็นไหมอัตภาพร่างกายของเราธาตุสีดินน้ำลมไฟเป็นเครื่องค้าประกันเราให้เป็นมนุษย์อยู่แล้นี้ขันห้าเป็นเครื่องค้าประกันให้เราเป็นมนุษย์เป็นสารสถิตยุทธิธรรมอ่าหู่ที่ตรงนี้ว่ากันโดยอัดโดยธําว่ากันโดยเหตุโดยผลพิจารณาโดยเหตุโดยผลไม่ต้องย่อท้อต่อพิเลตตัวใดไม่ต้องตําหนีตีเตีย น, นตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่งนี้อันเป็นการเข้าฝ่ายพิเลต ให้มันได้ใจและชนะเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวผลที่เราได้ก็คือความเสีย อ, อกเสียใจความทุกข์ความลำบากนั่นคือเราแพ้ขุดค้นขึ้นมาพิจารณาคดีมันมีมูลอยู่แล้วที่เด็ดมันมีเหตุมีผลของมันมันถึงเกิดขึ้นนี่เรียกวคดีมีมูลปัญญาก็มีเหตุมีผลที่ควรแก้กี่เด็ดได้อยู่แล้วให้พิจารณาลงไปนี่กี่เด็ดมันหลอกเราว่า อัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นเรานะเนยร่างกายทั้งหมดเนี่ยหนังก็เป็นเรา <S <S <ist> <S เนื่อก็เป็นเราก็ดูก็เป็นเราผลผ ล, ผลอะไรเป็นเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นเราเป็นเรามาตั้งกับตั้งกันเนี่ย <S <S <ist> <S เรายอมแพ้มันตลอดไม่ว่าสารไหนพบใดแพ้มันมาเรื่อยๆค ร, <S <S <ist> <S ราวนี้เราเอาสู้สารขึ้นในอัตภาพนี้เรียกว่าสารต้นสารอุทธรสารลิกาเขาว่ากันลงไปตรงไหนอ้า แตงทนายขึ้นมาสติปัญญาขุดค้นขึ้นมานั่นแหละคือทนายอันสาคัญสำคัญพู้ตัดสินจริงจริงก็คือวาภาษาได้จาปัญญาอันเฉียบแหลมค้นลงไปเห็นชัดจริงให้เห็นชดัดเจนจริงๆไหนคนจริงๆอยู่ที่ไหนสภาพร่างกายหรือเป็นเราเราจริงๆหรือถ้าสภาพร่างกายที่แตกไปเราจะไม่หมดความหมายไปแล้วหรือ น, นั่นร่างกายไม่ใช่เรานั่นเองแม้มันจะแตกสลายไปเราจึงไม่หมดความหมายเราจึงคือเราอยู่โดยดีเพราะไม่ใช่ร่างกายนะพิจารณากันตรงนี้ ความหมายไม่ได้อยู่กับร่างกายความหมายว่าเรานั้นไม่อยู่กับร่างกายเรานั้นอยู่กับผู้รู้ผู้รู้อย่าไปหลงอย่าไปกรอบป่วยทุกข์ขึ้นมาทุกข์อยู่ภายในจิตเพราะการยึดถือก็มากพอแล้วยังจะไปหลงแดกถามไปอีกมันก็ยิ่งเป็นทุกข์อีกอะไรแล้วก็เป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดกรอบป่วยเข้ามาให้เป็นกลองทุกข์นี่แหละคือแพ้ตลอดวันตลอดพบตลอดฆ่าค้นคว้าลงไปเห็นตามความจริงของมัน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 แต่ร่างกายมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งกลิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมดเมืนะ่อร่างกายมันแตกถ้าว่าเราถือว่ากายให้เป็นเารานัางกายแตกเราก็หมดความหมายคิดพายวายปวงไปหมดปนปี้ไม่มีอะไรเหลือเราจะเอาอะไรไปตอบพบต่อชาติมีอำ น, นาจศาสนาต่อไปข้างหน้าเพราะร่างกายมันจมไปแล้วที่ว่าเรารนั้นอ่ะเาราพิจารณาแยกทำใเห็นชัดเจน ถ้าเราไม่ถือร่างกายว่าเป็นเราเนี่ยเอาร่างกายจะแตกก็แตกไปตัวเรายังมีอยู่นี่แหละคือตัววาสนามเมตนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเอาดับไปนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรา<ม>เห็นชัดเจนนี่แ่ะคือหลักไตรลักษณ์ที่ก้าเขาถูกใช้สมอภูมิุมก็คือพิจารณาหเห็นตามความจริงที่พระเจ้าทรง ส, สอนไว้แล้วนี้โดยถูกต้องรูปังอันนี้จังรูปังอนัตตานั่นต่างดุ ประกาศกลงวันอยู่ทั่วโลกคาถาจะพอจะยิ่งทั่วสกุลนาการของเราทั่วขันห้าไม่ว่าขันใดที่จะปฏิเสธอนิจจังถุกขังนาตานี้ไม่มีเลยเต็มไปด้วยเช่นนั้นประกาศดูเหมือนกับว่าอย่าเอื้อมมาน้ะมือแล้วตีข้อมือนะไม่อายเหรอไปยึดเขาว่าเป็นเราเป็นของเรานะ่ะเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาต่างอันต่างจริงนี่ท่านผู้ลู้สอนไว้ท่านผู้ลูกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วละได้แล้วเห็นความสุข อันสมบูรณ์แล้วด้วยการละ ก, การถอนด้วยสติปัญญาประเภทนี้ประเภทนี้ให้พิจารณาตามนี้ตามนี้อยาาฉื้นหลักธรรมของอุลิเจ้าอยาาไปยอมตัวเป็นลูกน้องของกิเลสวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเรานั่นคือเรื่องของกิเลสที่พายเราให้จบอยู่ตลอดมาไม่เข็ดไม่หลามลไมเงือนะปัอยาแทรกเข้าไปไอ้จังทุกขลักษณะท่านว่าที่ไหนท่านแม้ว่าในขันท่ารูปังนอ้จังเนี่ย รูปัญญาตานั่นเวทนานิจาเวทนาอนัตตานั่นสัญญานิจาสัญญาอนัตตานั่นสังขารานิจาสังขารอนัตตานั่นวิญญาณานิจังวิญญาณอนัตตานั่นสัพเพธรรมาอนัตตานั่นต่างกันคำว่าสัพเพธรรมาตาเมื่อถึงขั้นเต็มที่ที่จะปล่อยวาง ป, ประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนั่น พันวัสัพเรทมมาตาหัวทำทั้งปวงขึ้นชื่วสมมุติไม่ว่าภายนอกภายในเป็นอนาตาทั้งกิ่ไม่ควรจะยึดวอาเป็นเราเป็นของเราสุดท้ายทัง้งหมดทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นสัเเดอะไรธรรมมาจำไม่ได้อันิเวซาญานะในบาลี ทำทัท้งพวงไม่ควรถือมั่นนี่ถึงขั้นจะควรปล่อยวางแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยจิตจะได้พ้นจากความกดท่วงทั้งหลายไม่ว่ามากว่าน้อยเป็นอิสระจิตอิสระเสรีนั่นแหละคือกองมหาสมบัตินั่นแหละคือหลักใจที่เลิ่ประเสริฐสุดในโลกการสร้างจิตใจ สร้างหลักใจสร้างด้วยอดีตธทําสร้างด้วยความรู้ความฉลาดสร้างด้วยความภาคเพียรสร้างด้วยความอุตสาห์พยายามสร้างด้วยความเป็นนักต่อสู้เราไม่ต้องกลัวตายปราชญ์มีอยู่ทุกคนกลัวตายปไปทำไมกลัวแล้วก็ไม่พ้นความตายเป็นกติธรรมนาเราต้องรู้ผู้รู้ความตายมีอยู่ไม่ใช่จะคิดหายจะตายไปด้วยความตายนั้นเมื่อไรความรู้เป็นความรู้ไม่ตายเราจะไปกลัวตายอันใดที่ปรากฏขึ้นมาพิจารณาเห็นชัดตามความจริง ความรู้ที่มีอยู่สติปัญญาที่มีอยู่ไม่ถอยหลังผู้นั้นแล้วผู้จะปวดเพื่อถึงความอิสระเสรีได้เพราะความไม่ท้อถอยพิจารณาด้ปัญญานี้ยี่สร้างให้เต็มที่แล้วเราจะไปหาวาสนามาจากไหนอีกเมื่อเต็มแล้วก็เต็มอย่างนี้อีกไมไ่ตั้งร้านขายกันเหมือนสิงของทั้งหลายลอย่ะดูพาราใจเป็นหาสมบัติอยู่นี้เอาใจเท่านั้นก็ไม่หมด อย่างพระเจ้ามันสั่งสอนโลกสั่งสอนเท่าไรทั้งสาโลกก็ไม่หมดทําระพเจ้าออกมาจากมหาสมบัติคือธรรมชาติที่บริสุธดของพระองค์นั่นแหละเราในวารานี้เราพยายามสั่งสอนเราเอาให้เต็มภูมิปกเครื้องเราให้เต็มภูมิขึ้นสารดีกาตัดสินกันให้ราบลงไปอย่าให้มันมีอะไรมาข้านได้อีกเลยนพิเรเอาให้เรียกพุทธถึงขั้นอิสระเสรีแล้วพอนั่นหลักนูผพอ เราจะไปหาในโลกหาที่ไหนหาถึงเมืองพอไม่มีเออได้เท่านี้อยากได้เฉะนั้นได้ฉะนั้นอยากได้ฉะนั้นอยากประพัดตะพูเหมือนกับไฟได้เชือ้อเราเคยเห็นว่าไฟมันพอเชื้อมีที่ไหนเอาเชื้อฟาดลงไปสิไฟจ ะ, จะแสดงเตลขึ้นมาท่วมเมฆแผ่วันไฟไม่ได้ดับเพราะการเพิ่มเชือ้อพิเรนไม่ได้ดับเพราะความกระทำตามความอยากเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ นี่แล้วไม่พออยากนะอยากเนั้นอยากจนกระทั่งวันตายยังไม่พอนั่นขึ้นชีวะที่เลนแล้วไม่มีเมืองพอความเป็นผู้ที่กิเลนแล้วนั่นคือเมืองพออยู่ที่ไหนก็พอเอ อ, เ อ, อความพอคือความสบายที่สุดความบกพร่องความหิวโหยคือการรบพวนตัวเองอย่างเราหิวข้าวเป็นไงสบายเหรออนี้หลับพี่นอนสบายเหรอนั่น ความรบกวนทั้งนั้นไม่มีอะไรรบกวนท่านแสนสบายนี่แหละเมืองพอสร้างจิตให้พอตัว ช, ชื่อว่าเมืองพอพออยู่ที่จิตวาสนาพออยู่ที่จิตเต็มสมบูรณ์อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นให้สร้างที่ตรงนี้นี่แลเป็นตัววาสนาแท้อยู่ที่ใจของเราเอาละการแสเดนทำหนึ่งกรต้องควรพระนิรันดร